ตอนนี้ถึงหน้า526ร้หน้า526จะเป็นพุทธวัจนะที่อธิบายความแตกต่างของเวทนาของพุตุชนกับ อริยสาวกว่าเมื่อได้รับเวทนาแล้วเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสดับแล้วย่อมเสวยซึ่งเวทนาอันเป็นสุขบ้างอันเป็นทุกข์บ้างอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม่อริยสาวกผู้มีการสดับแล้วก็ย่อมเสวยซึ่งเวทนาอันเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขบ้างดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนั้นในระหว่างอริยสาวกผู้มีการสดับกับปุถุชนผู้ไม่มีการสดับดังที่กล่าวมานี้อะไรเป็นความผิดแผกแตกต่าง อะไรเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันอะไรเป็นเหตุที่แตกต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้มีการสดับกับปุถุชนผู้ไม่มีการสดับนะอริยสาวกนะก็ตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปแล้ว โสดา บ, บันขึ้นไปนะที่มีการสดับในธรรมนะ <c oughs> กับปุตุชนต่ำกว่าโสดา บ, บันลงมาผู้ไม่มีการสดับในธรรมนะไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมกับอริยสาวกนะที่เคยได้ยินได้ฟังธรรมนะดูลักษณะของสาวกข้อพูดนะ ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการชอบแล้วหนอขอให้อัฏถะแห่งภาสิตนั้นจงจำแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเองเถิดภิกษุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้ว จากทรงจำไว้นะอันนี้ก็เป็นสำนวนที่สาวกมักจะใช้พูดกันนะถ้าต้องการให้พระพุทธเจ้าเนี่ยอตอบปัญหานะหรือว่าให้อธิบายสิ่งใดก็ตามนะอันนี้ภาษาลิบุตรก็เคยใช้พูดเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสาวกทุกคนเนี่ยเขาเขาพึ่งพาพระพุทธเจ้าในคำสอนของพระองค์ เขาไม่มีว่าจะมาคิดเองนะเขาต้องการให้พระผู้เจ้าเนี่ยตอบและพูดเพนะเขาจะได้ทรงจำเอาไว้ว่าสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยคืออะไรนะและบทเป็นชนะนั้นเนี่ยคืออะไรอย่างไรพระองค์บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสะดับแล้วอันทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมเศร้าโศกย่อมโกรนกระวาย ย่อมร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบ อ, อกร่ำให้ถึงความมีสติฟั่นเฟือนเขาย่อมเสวยซึ่งเวทนาทั้งสองฝ่ายคือเวทนาทางกายและทางจิตปุทุชนต่ำกระโสดาบันลงมาซึ่งไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมเมื่อถูกทุกขเวทนาถูกต้องแล้วเนี่ยจะเศร้าโศกรบวนกระวายร่ำไรรำพันทุบ อ, อกร่ำให้ สติฟั่นเฟือนจะเสวยเวทนาทั้งสองฝ่ายเลยทางกายด้วยทางจิตด้วยนะทงกายทั้งจิตเลย <c oughs> ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงยิงบุรุษด้วยลูกศรแล้วพึงยิงซ้ำซึ่งบุรุษนั้นด้วยลูกศรที่สองอีกนะยิงซ้ำเข้าไปสองดอกเลย บุรุษผู้ถูกยิงด้วยลูกศรสองลูกอย่างนี้ย่อมเสวยเวทนาทางกายด้วยทางจิต ด, ด้วยแม้ฉันใด <c oughs> เจ็บกายด้วยนะแล้วก็เจ็บใจด้วยน ะ, ะแม้โดนดอกเดียวก็ตายแล้วนะมันมายิงซ้ำเราอีกเนี่ย <c oughs> สดงว่าเคียดแค้นเหลือประมาณเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่มีการสะดับแล้วก็เป็นฉันนั้นคือเมื่อทุกเขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมเศร้าโศกย่อมกระวนกระวายย่อมร่ำไรรำพันเป็นผู้ทุบอกร่ำให้ถึงความมีสติฟันฟ่นเฟือนอยู่ชื่อว่าเขาย่อมเสวยซึ่งเวทนาทั้งสองอย่างคือทางกายและทางจิตเพราะเขาเป็นผู้มีปฏิฆา เพราะทุกขเวทนานั้นนั่นเองมีปฏิฆะคือมีความาไม่พอใจรำคาญใจหงุดหงิดใจนะไม่สบายใจนะเพราะทุกขเวทนาอันนั้นปฏิฆานุสัยอันใดอันเกิดจากทุกขเวทนานปฏิฆานุสัยอันนั้น ก็ย่อมนอนตามซึ่งบุคคลนั้นผู้มีปฏิฆะด้วยทุกขเวทนาปฏิฆานุสัสอันใดหมายถึงปฏิฆะปฏิฆานุใสอนุสัสคือความเคยชินนะในความไม่พอใจในทุกขเวทนาอันเกิดจากทุกขเวทนาเนี่ยความเคยชินในการไม่พอใจอันเกิดจากทุกขเวทนาปฏิฆานุสัสอันนั้นย่อมนอนตาม ก็คือย่อมติดตามต่อเนื่องอยู่ในใจของบุคคลคนนั้นผู้มีปฏิฆะผู้ไม่สบายใจด้วยทุกขเวทนานั้นเนี่ยเห็นไหมนั้นแปลทีละคาเลยปฏิคานุสัยอันใดอันเกิดจากทุกขเวทนาปฏิคานุสัยอันนั้นก็ย่อมนอนตามซึ่งบุคคลนั้นผู้มีปฏิฆะด้วยทุกขเวทนานั้นแต่ละคำเนี่ยถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันก็จะชัดเจนในตัวในตัวของมันเอง บุคคลนั้นอันทุคเวทนาถูกต้องอยู่ <c oughs> ย่อมจะพอใจซึ่งการมาสุขเขาจะนึกพอใจซึ่งกรรมสุขนะข้อนั้นเพราะเหตุใจคนคนที่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมเนี่ยเมื่อทุขเวทนาถูกต้องอยู่เนี่ยเขาจะไปนึกพอใจการมามสุขข้อนั้นเพราะอะไรดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ข้อนั้นเพราะเหตุว่าปุถุชนผู้ไม่มีการสดับแล้วย่อมไม่รู้ชัดอุบายเครื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาเว้นแต่การมสุขเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธทำจะไม่มีอุบายเครื่องแก้ความทุกข์นอกจากไปนึกถึงความสุขนะเมื่อปุถุชนนั้นพอใจยิ่งอยู่ซึ่งการมสุขราคานุสัยอันใด อันเกิดจากสุขเวทนาราคานุสัยอันนั้นย่อมนอนตามซึ่งปุถุชนนั้นเพราะนั้นเวลา <c oughs> เราได้รับทุกขเวทนาเกิดเราไปนอนในป่าในเขานะที่มันทุรกันดาร น, นะหรือรถไปเสียกลางทางต้องนอนในรถนอนตากยุงนะเราก็มา น, นึกว่าแหมอยู่บ้านก็นอนสบายดีแล้วนะนึกถึงห้องแอร์ที่บ้านนึกถึงเตียงนุ่มๆผ้าห่มนุ่มๆ นะเนี่ยเราจะนึกตรงนั้นทันทีเลยนี่เรานึกถึงกรารมาสุขนะแล้วยังไงพระองค์บอกราคานุสายอันใดอนุสายเห็นไหมความพอใจในความพอใจในความสุขตรงนี้นะความคุ้นเคยในราคานุสายอันใดอันเกิดจากสุขเวทนานะราคารู้สายอันนั้นนะความเคยชินในความชอบ อันเกิดจากสุขเวทนาเพราะสุขเวทนาเกิดแล้วเนี่ยมันชอบนะเมื่อเขานึกถึงสิ่งสิ่งนั้นอยู่เนี่ยเขาก็ชอบความคิดนั้นขึ้นมาซึ่งความคิดนั้นเนี่ยความชอบนั้นมันก็จะนอนตามคือติดตามต่อเนื่องปุถุชนนั้นเหมือนยมนึกอ่ะถูกระวันที่หนึ่งซะหน่อยนะนะจะซื้อบ้านซื้อรถโอ้โหเพลินเลย อนุสัยนอนตามและราคานุสัยนอนตามไปเรื่อยเรื่อยปรุงจนกว่าจะดับนั่นแหละนะอุตูชนนั้นย่อมไม่รู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำสามและอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นแห่งเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นตามที่เป็นจริงปฏิคานุสัยก็ไม่รู้ชัดวิธี ราคารูสัยก็ไม่รู้วิธีที่จะออกไปจากสิ่งสิ่งนั้นนะเมื่อปุตุชนนั้นไม่รู้ชัดอยู่ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้เหตุเกิดก็ไม่รู้จักความตั้งอยู่ไม่ได้คือความเสื่อมก็ไม่รู้จักซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำทามรสอร่อยของมันก็ไม่รู้จักอาทินวะคือโทษของมันไม่รู้จักและซึ่งอุบายเป็นเครื่องออกไปพ้นอุบายที่จะออกไปพ้นก็ไม่รู้จักอีก แห่งเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นตามที่เป็นจริงดังนี้แล้ว อ, ว, อวิชานุสัยอันใดอันเกิดจากทุกขขมสุขเวทนาอาวิชานุสัยอันนั้น <c oughs> ย่อมนอนตามซึ่งปุถุชนนั้นปุถุชนนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาย่อมเป็นผู้ติดพันเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยทุกขเวทนาก็เป็นผู้ติดพันเสวยเวทนานั้น ถ้าเสวยอะทุกขขมสุขเวทนาก็ยังเป็นผู้ติดพันเสวยเวทนานั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่รู้จากเหตุเกิดความดับนะลดอร่อยโทษของมันอุบายเครื่องออกไปพน้นนะจากเวทนาเนี่ยเมื่อราคารู้สายเกิดขึ้นเขาก็จะผูกพันปฏิคารู้สายเขาก็จะผูกพันอทุกขขมสุขคืออุเบกขาเกิดขึ้นมาเขาก็จะผูกพันอีกเหมือนกัน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้มีการสดับนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ติดพันแล้วด้วยชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัณอุปา ย, ยาสะทั้งหลายเรากล่าวว่าเป็นผู้ติดพันแล้วด้วยทุกข์ดังนี้นี่ฝ่ายติดพัน ส่วนไยไม่ติดพันในยะตรงข้ามพระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนอริยสาวกผู้มีการสดับแล้วอันทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ย่อมไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายย่อมไม่ร่ำไรรรำพันธ์ไม่เป็นผู้ทุบอกร่ำให้ไม่ถึงความมีสติฟั่นเฟือนย่อมเสวยเวทนาเพียงอย่างเดียวคือเวทนาทางกายหามีเวทนาทางจิตไม่ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงยิงบุรุษด้วยลูกศรแล้วไม่พึงยิงซ้ำซึ่งบุรุษนั้นด้วยลูกศรที่สองเมื่อเป็นอย่างนี้บุรุษนั้นย่อมเสวยเวทนาจากลูกศรเพียงลูกเดียวแม้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีการสดับแล้วก็ฉันนั้นคือเมื่อทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ก็ไม่เศร้าโศกไม่กระวนกระวายไม่ร่ำไรรำพัน ไม่เป็นผู้ทุบ อ, อกก่้ำให้ไม่ถึงซึ่งความมีสติฟั่นเฟือนอริยสาวกนั้นชื่อว่าย่อมเสวยเวทนาเพียงอย่างเดียวคือเวทนาทางกายหามีเวทนาทางจิตไม่อริยสาวกนั้นหาเป็นผู้มีปฏิฆะเพราะทุกขเวทนานั้นไม่ปฏิฆานุสัยอันใดอันเกิดจากทุกขเวทนาปฏิฆานุสัยอันนั้นย่อมไม่นอนตามซึ่งอริยสาวกนั้น ผู้ไม่มีปฏิฆะเพราะทุกขเวทนาอริยสาวกนั้นอันทุกขเวทนาถูกต้องอยู่ก็ไม่นึกพอใจซึ่งกามสุข่นะข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าอริยสาวกผู้มีการสดับแล้วย่อมรู้ชัดอุบายเครื่องปลดเปลื้องซึ่งทุกขเวทนาซึ่งเป็นอุบายอื่นนอกจากกามสุขอืม <c oughs> เวลาเข้ามีทุกข์แล้วเนี่ยเขามีวิธีปลดเปลื้องความทุกข์น ะ, ะด้วยอุบายเครื่องออกไปพ้นจากทุกข์นะเช่นการละนันทิการไปพินาศสายปฏิจจสุวาทพินาศใหเห็นโดยความเป็นธาตุเยอะๆยะเลยมรรควิธีที่พระเจ้าบอกไว้ซึ่งเป็นอุบายอื่นนอกเหนือจากกรรมสุขเขาไม่ต้องคอยไปแก้ความทุกข์ด้วยการไปนึกถึงความสุขนะเมื่ออริยสาวกนั้น มิได้พอใจซึ่งกรรมสุขอยู่ราคานุสัยอันใดอันเกิดจากสุขเวทนาราคานุสัยอันนั้นก็ไม่นอนตามซึ่งอริยสาวกนั้นคือเมื่ออริยสาวกนั้นเนี่ยไม่ได้พอใจซึ่งกรรมสุขนะความพอใจความเคยชินในความพอใจอันเกิดจากสุขเวทนาเนี่ยก็จะไม่ติดตามไปอยู่ในใจของอริยสาวกนั้น อริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำทรามและอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นตามที่เป็นจริงเมื่ออริยสาวกนั้นรู้ชัดอยู่ซึ่งเหตุให้เกิดขึ้นซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งรสอร่อยซึ่งโทษอันต่ำทรามและซึ่งอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นตามที่เป็นจริงดังนี้แล้ว อวิชานุสัยอันใดอันเกิดจากอทุกขามสุขเวทนาอนวิชานุสัยอันนั้นก็ย่อมไม่นอนตามซึ่งอริยสาวกนั้นอริยสาวกนั้นถ้าเสวยสุขเวทนาย่อมไม่เป็นผู้ติดพันเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยทุกขเวทนาก็ไม่เป็นผู้ติดพันเสวยเวทนานั้นถ้าเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เป็นผู้ติดพันเสวยเวทนานั้น เห็นไหมเพราะฉะนั้นอริยาสาวกนั้นสามารถเสวยสุขเวทนาได้เสวยทุกขเวทนาได้เสวยอัตุขมสุขเวทนาได้แต่ไม่ติดพันผูกพันในเวทนานั้น น, นันี่คือความแตกต่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้มีการสดับนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ติดพันแล้วด้วยชาติชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมานต์ ปายาสะทั้งหลายเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่ติดพันแล้วด้วยทุก์ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นความผิดแปกแตกต่างกันเป็นความมุ่งหมายที่แตกต่างกันเป็นเหตุที่แตกต่างกันระหว่างอริยาสาวกผู้มีการสดับจากปุถุชนผู้ไม่มีการสดับดังนี้นี่ข้อแตกต่างกัน ของคนที่เคยได้ยินได้ฟังธรรมกับคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมนะจากระดับอริยะนะที่เคยฟังธรรมกับปุถุชนที่ไม่เคยได้ฟังธรรมเลย